หรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งว่าวิมุตติสองในแก่หนึ่งเจโตวิมุตติความหลุดพ้นด้วยอำนาจแห่งใจสองปัญญาวิมุตติความหลุดพ้นด้วยอำนาจแห่งปัญญาอันดับแรกมาทําความเข้าใจคํา ว, คว่าวิมุตติเสียก่อนคําว่าวิมุตติแปลว่าความหลุดพ้น หรือว่าความพ้นอย่างยอดเยี่ยมหมายความว่าคือความหลุดพ้นจากอาสวะที่เป็นโลกิยะก็มีความหลุดพ้นจากอาสวะที่เป็นโลกุตระก็มีโดยเอกเทศคือเฉพาะอย่างก็มีโดยนิปริยายคือสิ้นเชิงก็มีนีอย่างนี้เรียกว่า วิมุตติที่ว่าลดพ้นจากอาสวะอาสวะในที่นี้คือกิเลสอาสวะคือกิเลสคืออาสวะนี้ในบางที่นั้นจะมาคู่กับกิเลสนะเช่นว่ากิเลสาาอาสวะอาสวะคือกิเลสฉันคำว่าอาสวะนี่คือเครื่องหมักดองนะเครื่องหมักดองเหมือนกับพวกผลไม้ดอง ดอกไม้ดองอะไรเนี่ยเขียนพวกกลุ่มดองอามายมดองมาม่วงดองถูกมาม่วงดองก็อัมพาสโวอผลไม้ดองกาะพลาสโวดอกไม้ดองพวกดอกกลุ่มดองพักเฟียนดองก็ปุปพาสโวเนี่ยเรียกว่าอาสวะคือดอกไม้เรียกว่าของดองเนี่ยมันเป็นของบูดเน่าเป็นของบูดเน่าเป็นของเสียของไม่มีคุณค่า แต่ว่าอาจจะมีราคาพวกผักดองเครื่องดองนี่รู้สึกว่าคือคุณประโยชน์จริงๆแล้วไม่ค่อยมีแต่ว่าทำให้อร่อยลิ้ น, นทาให้อร่อยลิ้นพูดถึงพวกนี้แล้วก็รู้สึกว่าบรรดาพวกสุภาพสตรีแล้วก็จะถูกโรคกันเรียกว่าเรียกนำย่อยได้ดีพูดถึงของดองของเปรี้ยวอะไรอย่างนี้ทีนี้ของดองนันหมายถึงอาสวะในทีนี้หมายถึงว่าเป็นตัวกิเลส เป็นตัวกิเลสที่มันหมักหมมมันเศร้าหมองอยู่ในจิตในใจของเรานะฉะนั้นที่อาสวะนี้ท่านก็ยังแบ่งออกอีกว่ามีหลายเช่นเป็นต้นว่ากามอาสวะอาสวะคือกามนะอาสวะคือความใครอ่อาสวะคือกามคือความใค ร, ใค ร, ร่ใคร่อะไรใคร่ในรูปใคร่ในเสียงใคร่ในกลิ่นใคร่ในรสใคร่ในการสัมผัส สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นอาสวะคือทําให้เรานั้นต้องหลงติดรูปยึดรูปนะติดเสียงยึดเสียงติดกลิ่นยึดกลิ่นติดรสยึดรสติดสัมผสัสยึดสัมผสัสทําให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันมีนมตัวมี ต, มตนเป็นอัตตาเราก็เลยติดสมมุติกันเมื่อเราติดสมมติอุปาทานความยึดมั่นก็บังเกิดขึ้นทําให้เป็นเราเป็นเขาขึ้นมาทําให้เป็นของเราของเขาขึ้นมา ทุกโทษมันก็เกิดขึ้นตรงนี้ตรงที่ว่ามันเป็นเราเป็นเขาเป็นของเราของเขาเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ทำให้เรานั้นหลงมัวเมาไม่รู้ตาสภาวะความเป็นจริงของสังขารทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปฉะนั้นแน่นอนที่สุดรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสหรือว่าการสัมผัสนี้ ถือว่าเป็นกิเลสกรรมอย่างหนึ่งหรือว่าเป็นอาสวะคือกรรมอย่างหนึ่งเป็นตัวที่ทำให้เรานั้นต้องติดในรูปนะติดในรูปพอใจในรูปติดในเสียงพอใจในเสียงติดในกลิ่นพอใจในกลิ่นติดในรสพอใจในรสอะไรในทํานองนี้ฉะนั้นเมื่อเราติดพวกเหล่านี้แล้วเราก็ต้องแสวงหานะเมื่อเราแสวงหาไม่ได้ อด้วยเลขก็ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมลก็ต้องเอาด้วยคาถาต้องเอาอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้ได้มาสมจิตสมใจเมื่อได้มาแล้วแทนที่ว่าเราจะหยุดอยู่แค่นั้นเราก็กระเสือกกระสนเราก็สา ะ, ะแสวงหาดิ้นรนต่อไปอีกผลที่สุดก็เกิดความหายนะ์ในด้านทรัพย์สินเงินทองหรือในด้านร่างกายถึงที่สุดก็อาจจะเสียชีวิตก็ได้นี่เกี่ยวกับไอ้เรื่องคนเราที่มันติดรูปติดเสียงติดติดติดรถนั่นเอง ฉะนั้นถ้าหากว่าเรามารู้วา่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเรามาพิจารณาโดยสภาวะธรรมแล้วมันก็ไม่ต่างอะไรกับเนื้อหมูที่เขาชำแหละตามโรงฆ่าสัตว์ต่างๆถ้าเราไปเห็นตามโรงพยาบาลที่เขาชำแหละซากศพเพื่อให้นักศึกษานั้นได้เรียนได้ศึกษาหรือว่าพิสูจน์ซที่เกิดอุบัติเหตุหรือว่า เกิดการยิงการฆ่ากันตายแทงกันตา ย, ยอะยรทําทนองนี้เราจะเห็นว่าอาซากสบที่เราไปดูนั้นมันไม่มีค่าไม่มีประโยชน์ไม่มีสาระอะไรเลยนะให้พราะปล่าเราก็ยังไม่เอาแต่ตอนที่มีชีวิตเป็นอยู่เรากลับมาต้องซื้อกันด้วยราคาแพงๆนะต้องกํำนันกันด้วยราคาแพงๆบางทีก็เป็นทรัพย์บางทีก็เป็นเพชรนินจินดา แล้วก็มีการหวงแหนกันมีการเข็นฆ่ากันมีการประหัตปหารกันอะไรในทํานองนี้สารพัด น, นี่แหละเพราะเราว่าหลงไม่รู้ตามสภาวะความเป็นจริงนั่นเองฉะนั้นถ้าหากว่าใครจะละเกี่ยวกับเรื่องอาการการ ม, มาสวรนี้ได้ผู้นั้นก็จะต้องพิจารณาว่าต้องสํารวมสําสรวมอินทรีย์หกคือตาหูจมูกเลนกายใจ มีให้ยินดียินร้ายในเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องสัมผัสใจนึกคิดในอารมณ์ต่างๆเวลาการที่สองเราต้องจเจริญมณสิการกรรมฐานอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการมชันทะหรือกายคตาสติก็คือว่าก็ททำไว้ในใจโดยอุบายอันแยบขายในการ มีสติพิจารณาเข้าไปในกายว่าภายในกายพวกเรานี้เต็มไปด้วยของสกปรกเหมือนกับภ้าชนะที่ใส่ของอ่าเปื้อนเละเทะสกปรกเหม็นคาวคราคลุ้งไปหมดนะไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจนะไม่น่าที่เราจะต้องมากระเสือกกระสนกระวนกระวายแสวงหาอะไรเลยนี่แล้วก็ให้เราพิจารณาเป็นอสุภะทั้งภายนอกว่าเป็นของไม่สวยไม่งามผมขนเล็บฟันหนังแม้เราไม่ได้อาบน้ําชำระ ไม่ได้ฟอกเพียงวันเดียวมันก็สกปรกนะมีกลิ่นกัแล้วฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราจะต้องบริหารคอยประคับประคองคอยนั่นอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นแต่ว่าเราก็ไปหลงไปติดกันฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาว่าผมขนและฟันหนังทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันมันเป็นธาตุดินนะมันเป็นธาตุดินเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะเป็นของปฏิกูล อเราพิจารณาอย่างนี้ก็จะให้เรานั้นคลายตัวอัตตาความยึดมั่นถือมั่นในตัวเราตัวเขาเสียได้นะให้ปัญหาที่จะเกิดการหึงหวงแข่งแย่ง ก, กันก็จะไม่มีนะก็จะไม่มีฉะนั้นนี่แหละเราจึงต้องจเจริญอสุภกรรมฐานนะอันเป็นปฏิปักษต่อการมฉันทะนะโดยพิจารณาร่างกายสังขารให้เป็นกายคตาสติอาการที่สามเราจะพ้นจากกรรมได้ก็ต้อง จะเริญนสมถาวิปัสนาโดยยกสังขารขึ้นพิจารณาให้เห็นเป็นไรรักณว่าสังขาร น, นั้นก็ตกอยู่ในอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้ก็จะทำให้เรานั้นคลายความกำหนัดในอัตตาในตัวในตนในรูปในเสียงในกลิ่นในรสตัดกิเลสสมุเทเฉทพระหานเข้าถึงกระแสแห่งพนิพานได้โดยไม่ยาก ฉะนั้นนี่แหละเป็นเรื่องของกามฉะนั้นในวัดในในรูปเสียงกลิ่นรถนี้เขาเรียกว่าวัตถุกามก็คือวัตถุอันนาใคร่มีชื่ออย่างหนึ่งว่าบวงแห่งมารเพราะเป็นเครื่องร้อยรัดเรองจิตใจของสัตว์ให้หลงให้ติดให้มมวให้เมาให้เกิดความย่อยยับนั่นเองประการที่สองก็คือภาวาสวะอาสวะคือพบนะคือพบก็หมายถึงว่า ในการที่เราติดอยู่ในภพอยากมีอยากเป็นนะอยากมีอยากเป็นอยากอยู่ในที่อยู่อันสบายอยู่ในห้องแอร์อยู่บนที่นอนที่สวยๆงามๆอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราติดอยู่ในภพในชาตินะไม่อยากจะจากไปที่ไหนที่มันสร้างความเดือดร้อนเราก็ไม่อยากอยู่ที่ไหนมันให้ความสบายแก่เราเราก็อยากจะอยู่อย่างนั้นไม่อยากเปลี่ยนแปลง แต่จริงๆแล้วทุกทสิ่งทุกอย่างจะต้องเปลี่ยนแปลงมีใหม่ก็ต้องมีเก่ามีเก่าก็ต้องมีการชำรุดสุดโทรมมีการผุพังแล้วก็แตกสลายไปแต่ว่าคนที่ติดอยู่ในภพในชาตินั้นก็จะยึดมั่นถือมั่นจึงนั้นจะต้องเก่าไม่ได้จะต้องเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้ถ้าเปลี่ยนแปลงไปเก่าไปชำรุดทุดโทรมไปก็เกิดเป็นทุกข์เกิดความเดือดร้อนเกิดความทุกข์ใจฉะนั้นนี่แหละจึงบอกว่าเป็นการติดอยู่ในภพนี่ติดอยู่ในภพหรือบางครั้งเราก็ ไอ้คำว่าพบตัวนี้บางครั้งเราก็แปลว่าอยากมีอยากเป็นนะนี่อสวะคือพบแล้ออสวะเกี่ยวกับไอ้ตัวอยากมีอยากเป็มอยากมีอะไรคือไอ้ตัวนี้เป็นตัวที่ที่เราเรียกกันว่าเราไม่มีอะไรจะมาแก่นะเราทุกคนรู้สึกว่าเป็นโลกอยากกันมากนะอยากมีไอ้นั่นพอได้แล้วก็อยากมีไอ้นอน พอมีไอ้นั่นแล้วก็อยากมีต่อไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดนี่แหละฉะนั้นพระพุทธองค์จึงจัดว่าไอ้ความอยากนี่มันเป็นตัณหาอันยิ่งใหญ่าแล้วพระพุทธองค์ได้จัดเป็นาภาษิตไว้ว่านัตถิตัณหาสมานทีแม่น้ําเสมอด้วยตัณหาไม่มีอันนี้หมายความว่าไอ้แม่น้ํำน่ะมันมีวันเต็มแล้วก็มีวันพร่องนาบางครั้งมันอาจจะท่วมท้น บ้านช่องได้แต่ น, น, นานๆจะท่วมสักทีหนึ่งแต่อะไตันหานี่มันท่วมอยู่ตลอดเวลาท่วมทั้งวันท่วมทั้งคืนนะท่วมทั้งวันท่วงทั้งคืนฉะนั้นตันหานะจะมาเปรียบเทียบกับอแม่น้ําจะมาเปรียบเทียบกับตันหาไม่ได้ตันหานถือว่าเป็นน้ําที่ท่วมทับจิตใจของสัตว์ให้อยู่หมัดอยู่มือให้มัวเมาหมกมุ่นอ ผลที่สุดก็คือว่าตกอยู่ในอบายนะตกอยู่ในอบายมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนความทิบหายความกระวนกระวายอย่างนี้แหละตัณหาจึงถือว่าเป็นน้ําที่ท่วมจิตใจอของบรรดาสัตว์ต่างๆออืฉะนั้นอตัวนี้แหละเราจึงต้องอตัดพพตัดชาตินะด้วยการตัดพพตัดชาติตัดไอ้ตัวอยากมีอยากเป็นเสียอก็จะทําให้เรารู้จักพอบ้างนะคนเราถ้ารู้จักพอ แน่นอนที่สุดไอ้ความตัวพอเนี่ยคือตัวสันโดษนะตัวสันโดษไอ้ตัวสันโดษเนี่ยตัวยินดีตามที่ตนมียินดีตามที่ตนได้ยินดีตามสมควรตนมีอย่างไรอ่าก็พอใจในสิ่งที่ตนมีตนได้อย่างไรก็พอใจในสิ่งที่ตนได้แล้วก็สิ่งที่ได้มานั้นก็ต้องดูว่ามันควรกับฐานะของตนไหมถ้ามันเกินควรก็แจกจ่ายผู้อื่นเขาไปแล้วก็เอาแต่สิ่งที่มันควรดังนั้นบางคนก็ไปทําความเข้าใจผิดว่า การที่ทางผู้ศาสนาสอนให้คนสันโดษนั้นเป็นการสอนให้คนงอมืองอเท้าเป็นการสอนให้คนเกียดคราสอันนี้เป็นการเข้าใจผิดในคำว่าสันโดจอันนี้ไม่ได้หมายถึงให้คนเกียดคราสแต่ให้ทุกคนนั้นขยันทํากิจการงานน้อยใหญ่อ่าตลอดเวลาแต่เมื่อตอนเองทําได้เท่าไหร่ก็ให้พอใจในสิ่งที่ตนมีนะให้พอใจอไม่ใช่ว่าคนเราโดยมากมันไปพอใจสิ่งที่ตนไม่มีไอ้สิ่งที่ตนไม่ได้ บางครั้งเราต้องไปทุกข์ไปเดือดร้อนกับไอ้สิ่งที่มันต้องเสียไปอันนี้แหละมันไร้ประโยชน์นะอันนี้ถือว่าไม่เป็นประโยชน์ฉะนั้นเราจะต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันพอเหมาะพอควรกันให้มันพอดีกันแล้วประโยชน์ก็จะบังเกิดขึ้นฉะนั้นจึงขอให้เราทุกคนนั้นอจงรู้จักพอดีนะความพอดีนั่นแหละดีแต่ถ้าเราไม่รู้จักพอดีมันก็ไม่ดี นะฉะนั้นขอให้เรารู้จักพอดีก็จะเกิดประโยชน์มากแล้วประการที่สามก็คื อ, อเรียกว่าเป็นอาสวะที่เราทุกคนควรจะละนะควรจะวางเสียก็คือพวกเรียกว่าอาวิชโชคคืออาสวะคือตัวอวิชชาตัวอวิชชาในที่นี้หมายถึงตัวโงนะ่ตัวโง่คือตัวไม่รู้ไอตัวไม่รู้นี่ถ้าพูดอีกอย่างหนึ่งว่าไม่ใช่ไม่รู้อะไรเลย นะรู้แต่ว่ารู้ในสิ่งที่ไม่น่ารู้นะรู้ในสิ่งที่ไม่น่ารู้นะไอสิ่งที่น่ารู้เขากลับไม่รู้เป็นต้นว่าไม่รู้ทุกไม่รู้เหตุให้เกิดทุกไม่รู้ความดับทุกไม่รู้หนทางให้ถึงความดับทุกนี่เท่านั้นเรานั้นจะต้องอทําลายตัวอวิชชาก็คือต้องพยายามรู้ว่าทุกนั้นมีจริงนะ รู้ว่าทุกข์นั้นมีจริงรู้ว่าเหตุให้เกิดทุกข์คือตัวตัณหาตัวสมุทัยในแก่ตัวตัณหานี่แหละการมาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาอันนี้แหละถือว่าเป็นตัวที่ทําให้เราเดือดร้อนกระวนกระวายแล้วก็รู้ว่าความดับทุกข์ก็คือตัวสมุติตัวนิโรธความดับทุกข์นั้นมีจริงก็คือตัวดับตัณหาอย่างสิ้นเชิงอย่างนี้แหละถ้าเราเข้าใจอย่างนี้วิชาก็จะเกิดขึ้น และการสุดท้ายก็ให้เรานั้นต้องรู้ว่าหนทางที่จะถึงความดับทุกข์นั้นมีจริงเมื่อเราได้พิจารณาอย่างนี้เราปฏิบัติตามความรู้ความสว่างแห่งสติปัญญาก็จะบังเกิดขึ้นอย่างนี้เรียกว่าเรารู้ถูกเรารู้ควระฉะนั้นที่พูดนี้ก็เป็นเรื่องของ อ, อาสวะที่นี้มาพูดถึงเรื่องของวิมุตตินะวิมุตติสองในที่นี้ท่านก็จําแนกว่าอย่างนี้ คือหนึ่งเจโตวิมุตต์ความหลุดพ้นด้วยอำนาจแห่งใจความหลุดพ้นด้วยอำนาจแห่งใจคาว่าหลุดพ้นด้วยอำนาจแห่งใจก็ได้แก่วิมุตต์ที่มีสมาธิาทั้งที่เป็นอุปจาระและอัปนา อ, าอปนาสมาธิเป็นประทับฐานคืออันนี้ท่านาผู้ฟังต้องเข้าใจวา่าสมาธินี่มันมีอยู่สามขั้ น, นสามขั้น ขั้นแรกก็เรียกว่าคณิกะสมาธิคือสมาธิาสงบชั่วขณะนิดๆหน่อยๆนะชั่วครั้งชั่วคราวอย่างนี้เรียกว่าคณิกะสมาธิาธแอาการที่สองก็คืออุปจาระสมาธิก็คือสมาธิที่เข้าไปใกล้นะใกล้หรือสมาธิที่เข้าไปเฉียดเฉียดอั ป, ปนาสมาธิใกล้อัปนาสมาธิ หรือว่าใกล้ที่จิตใจจะตั้งมั่นนะใกล้ที่จิตใจจะตั้งมั่นฉะนั้นตัววิมุติมีสมาธิที่เป็นอุปจาระและอั ป, ปนาสมาธิเป็นปัจทฐานคือเป็นที่ตั้งเป็นเบื้องต้นฉะนั้นผู้เจริญสมถภ า, าวนาต้องมีสมาธิเป็นที่ตั้งมาก่อนแล้วจึงเจริญวิปัสสนาต่อไปนะจึงเจริญวิปัสสนาต่อไปคือยกจิตขึ้นสู่ใจลัก โดยพิจารณาสังขารด้วยปัญญาให้เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพูดง่ายๆก็คือว่าให้เราเห็นว่าสังขาร น, นั้นเป็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงนะคือความไม่เที่ยงไอ้ที่ว่าไม่เที่ยงก็คือว่ามันไม่คงที่นะไอสิ่งที่ไม่เที่ยงก็คือมันไม่คงที่ไอสิ่งที่มันไม่คงที่สิ่งนั้นแหละคือการที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นะอานิจจ <pulling me. S 1> ังเนี <Pope. S 1> hmm. ่ยมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถ้านิจจังแล้วก็มันเป็นของเที่ยงนะนิจจังเป็นของเที่ยงแต่ถ้าอานิจจังเนี่มันไม่เที่ยงอันนี้ได้เคยถามญาติโยมบอกว่าอานิจจังเนี่ยแปลว่าอะไรอญาติโยมก็บอกว่าอานิจจังเนี่ยมันก็คือไม่จริงไม่จังอทุกอานิจจังก็คือไม่จริงไม่จังอถ้าหากว่าถ้ามันจริงจังมันก็เป็นนิจจังน่ะมันก็เป็นนิจจังไป อ่านะฉะนั้นอันนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นอนิจจงนะอะไรมันเป็นอนิจจ ง, งก็คือตัวสังขารนะทั้งสิ่งที่มีใจครองและสิ่งไม่มีใจครองมันก็เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลานะเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาถ้าว่าเราเข้าใจอย่างนี้ก็เท่ากับว่าเราเข้าใจตัวเอ่อเกี่ยวกับเรื่องอนิจจงได้ดีนะทีนี้เขาให้เรากำหนดว่า เ, เรื่องอนิจจงเป็นยังไง การแรกให้เราพิจารณาว่าคนเราทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายนะเกิดมาก็ต้องตายนี่อนิจจาวตาสังขาราอุปาทวัธรรมิโนอุปัชิตวานิรุชันติเตสังวุปสมโมสุขโขเรียกว่าสังขารทั้งทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีการเกิดขึ้นเสื่อมไปเป็นธรรมดานะการเข้าไปสงบแห่งสังขารจะได้ข้อเป็นสุขนะเป็นสุขฉะนั้น ให้เราพิจารณาว่ามีเกิดเป็นเบื้องต้นแล้วก็มีการสลายไปในที่สุดนี่เราพิจารณาอย่างอย่างทีนี้ถ้าเราพิจารณาอย่างกลางต่อไปก็คือว่า Missy? ให้เราพิจารณาว่าอคนเรานั้นมีเกิดในเบื้องต้นแล้วก็ปรวนแปรในท่ามกลางแล้วก็แตกสลายไปในที่สุดอแล้วเราพิจารณาไปอย่างละเอียดก็คือว่าให้เราพิจารณาว่า สังขารคือร่างกายของเรานั้นมันไม่เที่ยงอยู่ทุกลมหายใจอยู่ทุกๆุกวินาทีอยู่ทุ ก, ท, ก, ท, ก, ท, กทุกขณะนะมันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลานี่แหละอย่างนี้เรียกว่าเราพิจารณาอย่างละเอียดนะเราพิจารณาอย่างละเอียดนะเกี่ยวกับเรื่องอนิจจ์แต่ที่เราไม่รู้ว่าสังขารมันเป็นอนิจจ์นั้นเพราะสันตติมาปิดบังเอาไว้นะสันตติมาปิดบังเอาไว้นะทําให้เรามองไม่เห็นอ่านะ แต่จริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปขนเก่าขนเก่าหลุดไปขนใหม่ก็ขึ้นมาแทนแต่ว่าเราไม่รู้นะเพราะไอ้การสืบต่อเกิดขึ้นติดต่อกันนี้อมันอมันไวจนเราไม่ถึงไม่รู้ไม่ทราบอเหมือนกับพัดลมที่มันมีสามแฉกสามแฉกถ้ามันหยุดหรือมันหมุนช้าเราจะเห็นว่ามันไม่ติดกันแต่ถ้ามันหมุนไวนี่เราจะเห็นว่ามันติดกันพืชมองดูแล้วเหมือนเราเป็นชิ้นเดียวกัน นี่มันเรื่องของอนิจจ์นะความวัยมันเกิดสืบต่อติดเนื่องกันทุกขังก็คือสังขารเป็นทุกนะเป็นทุกคือขันห้านี่แหละมันเป็นทุกทุกที่เราจะต้องคอยบริหารคอยบำรุงบำเรมมันคอยที่จะต้องมาหาปัจจัยมาบำรุงบำเรมมันซ่อมแซมมันอยู่ตลอดเวลาอยู่ตั้งแต่ในเรียกว่า สภาวะทุกข์หรือปะกินนาคทุกข์ทุกโดยธรรมชาติทุกตามสภาวะที่มีประจําตัวเกิดเป็นทุกข์แกเป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์หรือปะกินนาะทุกข์ก็ได้แก่โศกะปริเทวะทุกขะโทัมนัสอุปายาสะอภิเยหิสัมปโยคทุกโขเรียกว่าประสบสิ่งที่ไม่น่ารักก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุกโขทัศน์จากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์ยาปิดชังนลพติตามปิทุกขัง ไม่ได้สิ่งที่ตนตัถนาก็เป็นทุกสังคิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขานี่เรียกว่าาสรุปแล้วก็คือทุกในขันธานะทุกในขันธานะฉะนั้นเราทุกในขันท่านั่นเองฉะนั้นก็ยังมีอีกหรือว่าในทุกสิบนั่นแหละนะฉะนั้นที่เราไม่รู้ว่าอสังขารเป็นทุกข์ก็เพราะอิริยาบถมาปิดบังไว้นะเพราะอิริยาบถมาปิดบังไว้ <c oughs> มาในข้อที่สามก็คืออนัต อุานะคือความไม่มีตัวไม่มีตนไอ้สังขารเนี่ยมันไม่มีตัวไม่มีตนอ่านอะ้ที่ว่ามันไม่มีตัวไม่มีตนก็หมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นในเบืนน้องต้นตวนแปรในท่้ำกลางแล้วก็แตกสลายไปนในที่สุดนะที่ว่ามันไม่มีตัวไม่มีตนก็ประการแรกก็คือว่าเพราะว่ามันเป็นสภาวะที่ฝืนความปรารถนาของคนเราอยู่ตลอดเวลานะ มันฝืนความปรารถนาของเราอยู่ตลอดเวลาซึ่งหมายความว่าเราไม่ให้แก่มันก็แก่เราไม่อยากให้ผมงอกมันก็งอกเราไม่อยากให้ผมคลอนมันก็คลอนอนะด้วยแย้งต่ออัตตานะด้วยแย้งต่ออัตตก็คือว่าให้เราว่ามันมีตัวตนแต่ว่ามันก็ไม่คงสภาวะของความเป็นตัวตนไว้ได้นะมัน มันคอยจะเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลานะมันตรงกันข้ามเราจะให้มันเป็นอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนั้นเราจะให้เป็นอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนี้นี่ด้วยสภาวะาเป็นของว่างเปล่านะโดยสภาวะเป็นของว่างเปล่าอนะหรือว่าอ่าด้วยความเป็นสภาพหาเจ้าของไม่ได้คือเราสังขารนี้ไม่มีใครเป็นเจ้าของมันเป็นสมบัติของโลกมันเหมือนกับว่าเรายืมของชาวโลกมา แล้วอีกไม่นานเขาก็ทวงกลับคืนไปนกะลับคืนไปฉะนั้นเมื่อเรายืงเขามายืงสังขารเขามาแล้วเราก็ใช้สังขารให้คุ้มค่าให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเองครอบครัวสังคมประเทศชาติอันนี้แหลยก็จะเป็นประโยชน์แก่การดำรงชีวิตมากจะเป็นประโยชน์แก่การดำรงชีวิตมากแล้วการสุดท้ายก็คือว่าด้วยเป็นไปตามเหตุปัจจัยตามสภาวะของมันนี่เรื่องของสังขารฉะนั้น อย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นสังขารเป็นอนัตตาคือความไม่มีตัวไม่มีตนนะไม่มีตัวไม่มีตนสังเกตดูสิที่แรกเราก็เกิดมาก็เป็นเด็กแล้วก็เป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็เฒ่าก็แก่แล้วก็แตกตายไปในสิ่งอื่นๆก็เหมือนกันบางครั้งไอ้ที่เป็นพระราชวังก็กลายมาเป็นป่าไอ้ที่ป่าก็กลับกลายเป็นราชวางังฉะนั้นนักโวราณักบบางครั้งก็ต้องไปขุด อ่าตามที่ต่างๆซึ่งบางครั้งก็มองไม่เห็นของเก่าเลยแต่ว่าเมื่อขุดลึกๆไปเราเห็นว่าอันนี้เคยเป็นเมืองหลวงเก่าบ้างอ่าอันนี้ยังเป็นยังกลางเก่ากลางใหม่ใ น, นทํานองนี้อ่าฉะนั้นนี่แหละมันทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ทิ้แท้แน่นอนไม่จีรังยั่งยืนแค่ที่เราไม่รู้ว่าสังขารเป็นทุกข์เพราะอิย่ยบทมปิดบังที่เราไม่รู้ว่าสังขารเป็นอนัตตาคือความไม่มีตัวไม่มีตน เพราะคณะสัญญาคือความสําคัญว่าเป็นกลุ่มเป็นก้อนมาปิดบังนะมาปิดบังะฉะนั้นอผู้ที่อเจริญเจโตมุติคือความหลุดพ้นด้วยอํานาจแห่งใจยกขิตขึ้นสู่ไตรลักษณ์พิจารณาสังขารด้วยปัญญาให้เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจนทําลายกิเลสให้ขาดจากคณสันดานก็เป็นอันได้ปัญญาพ้นจากอาวิชชาคือหายโง่แล้วนะไม่โง่ ได้แก่วิมุตของพระอรหันต์ผู้บรร ล, ลุวิชาสามอภิญญาหกและปฏิสัมพิทาสไปสัมพิทาสนี่เป็นพระอรหันต์ที่บรร ล, ลุเจโตวิมุตข้อที่สองก็คือปัญญาวิมุตความหลุดพ้นด้วยอำนาจแห่งปัญญาได้แก่วิมุตของท่านผู้เจริญกรรมฐานมุ่งปัญญากําจัดอวิชชาอย่างเดียวหรือได้แก่ปฏิปทาของพระอรหันต์ของพระอรหันต์ผู้บำเพ็ญวิปัสนาล้วน ไม่ได้จเจริญสมถะมาก่อนเมื่อเวลาประกอบความเพียรก็ยกจิตขึ้นสู่ตรลักษณ์เลยทีเดียวแต่พึงเข้าใจว่าขณะที่พิจารณาอยู่นั้นก็ต้องมีจิตเป็นสมาธิควบคุมอยู่ด้วยเหมือนกันถ้าไม่เช่นนั้นแล้วก็ไม่สามารถจะพิจารณาให้แจ้งชัดในสังขารได้เป็นแต่ว่าท่านไม่ได้บำเพ็ญสมถะภาวนามาก่อนจนชำนาญ แต่ว่าท่านได้เจริญวิปัสสนามากล้วนๆจนชำนาญในฌานสมาบัติออย่างนี้ได้แก่เป็นวิมุติของอพระอาหารหันตุขาวิปัสสกคือผู้เห็นแจ้งอย่างแห่งแรงไม่มีคุณวิเศษอย่างใดเหมือนกับพระอาหารหันต์ประเภทก่อนอถ้าจะถามว่าในระหว่างพระอาหารหันต์เจโตวิมุตต์กับปัญญาวิมุตติต่างกันอย่างไรอผู้บรรลุมีผลเสมอกันหรือไม่อันนี้เราก็ตอบได้เลยว่า เจโวิมุตนั้นคือพระอาหารผู้ที่ต้องเจริญทำสมาธิเจริญสมถะและวิปัสนานเจริญทั้งสมถะและวิปัสนาจนที่สุดก็คือว่าได้บรรลุวิชาสามอภิญญาหกปฏิสัมพิทาสีา่ส่วนผู้ที่ได้บรรลุ ป, ปัญญาวิมุต tn ั้นไม่ได้เจริญสมถะหากแต่ว่าเจริญปัญญาวิมุต t ก็คือยกจิตขึ้นพิจารณาสังขารให้เห็นเป็นไตรลักษณ์มุ่งเอาปัญญาอย่างเดียว ผู้บรรลุนั้นคุณวิเศษก็ย่อมจะน้อยกว่าเจโตวิมุตตนะน้อยกว่าเจโตวิมุตตและผู้ที่ได้บรรลุปัญญาวิมุตต์นั้นเรียกว่าอรหันตุขกวิปัสสกะก็คือว่าเห็นแจ้งอย่างแห้งแล้งนั่นเองฉะนั้นถ้าเมื่อนำวิมุตต์ทั้งสองมาวิมุตตกับวิโมกเข้ามาเทียบกันดูทราบหรือไม่ว่าต่างกันหรือเหมือนกัน หรือว่านับเข้าในสุทิไหนอันนี้เราตอบได้ทันทีว่าต่างกันแต่เพียญชนะเท่านั้นแต่ก็พ้นจากราคะโทสะโมหะได้เท่ากันโดยอาจก็นับเข้าในนิปริยายสุทินิปริยายสุทิทีนี้ถ้าจะถามว่าพโยคาวาจรผู้ได้บาเพ็ญสมถะภาวนาพิจารณาในอสุภะสิบอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งจนจิตเป็นสมาธิแล้วจะเรียกว่าได้วิมุติอะไรการบาเพ็ญสมถะภาวนา เพียงเพื่อทําให้จิตสงบอาเป็นสมาธิได้ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นยังไม่จัดว่าได้บรรลุวิมุติอะไรเพราะจิตที่เป็นวิมุตินั้นจะต้องหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะด้วยการบำเพ็ญวิปัสสนาต่อขึ้นไปนะต่อขึ้นไปหรือพูดสั้นๆก็ได้แก่พระโยคตนผู้ได้บรรลุพระหันอาอ阿拉หัตผลแล้วจึงเรียกว่าพ้นในที่นี้ได้นะพ้นหนที่นี้ได้อะไรเป็นเหตุและอของวิมุติทั้งสองอย่างอ่านะ อันนี้ก็ตอบได้เลยว่าสมถะกรรมฐานหรือสมถาภาวนาเป็นเหตุของเจโตวิมุตต์วิปัสสนากรรมฐานหรือวิปัสสนาภาวนาเป็นเหตุของปัญญาวิมุตต์ฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องการบรรยายเรื่องวิมุตตสองมาก็พอสมควรกับเวลาในที่สุดนี้ขอให้นักเรียนและท่านสาธุชนผู้ฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีขอเจริญพร วันนี้จะพูดในหัวข้อว่าสังขารสองอสังขารสองก็ได้แก่หนึ่งอุปาจินกะสังขารคือสังขารที่มีใจครองสองอนุปาจินกะสังขารสังขารที่ไม่มีใจครองแรกการแรกขอให้นักเรียนนักศึกษา มาทำความเข้าใจกับคำว่าสังขารเสียก่อนคำว่าสังขารได้แก่สิ่งที่ปัจจัยประชุมแต่งขึ้นในที่นี้หมายถึงสังขารคือรูปที่เห็นได้ด้วยมังสะจักษุก็คือหมายถึงว่าตาเนื้อตาเนื้อประสงค์งทั้งที่ธรรมดาปรุงแต่งขึ้นจากแร่ธาตุทั้งที่บุคคลปรุงแต่งขึ้นจากทัพสัมภาระ กล่าวโดยประเภทก็มีสองอคือหนึ่งอุปาทินกะสังขารหมายเอาสังขารที่มีใจครองสังขารที่มีใจครองนี้ประกอบไปด้วยธาตุสี่คือดินน้ำไฟลมประชุมพร้อมหมุนกันมีจิตใจเป็นเครื่องคิดนึกเป็นเครื่องรู้สึกอารมณ์ได้แก่เทวดามนุษย์หรือพวกอมนุษย์ตลอดจนพวกสัตว์เดรัจฉานที่ต่างประเภทกัน อย่างนี้แหละเรียกว่าอุปาทินกะสังขารหรือจะพูดให้ง่ายๆพูดสั้นๆอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอสิ่งที่มีชีวิตจิตใจนะที่มีชีวิตจิตใจมีวิญญาณอย่างนั้นแหละเรียกว่าอุปาทินกะสังขารนะเรียกว่าอุปาทินกะสังขารอ่าอย่างเช่นตัวเราอย่างนี้นะตัวเราอย่างนี้อ่าที่ประกอบด้วยขันห้าประกอบขึ้นด้วยธาตุสีอมาประชุมกัน หรือพวกวัวควายช้างมา้าหมูเป็ดไกอ่อย่างนี้ก็จะชื่อว่าเป็นอุปาทินกาสังขารที้มาประเภทที่สองอนุปาทินกาสังขารได้แก่สังขารที่ไม่มีชีวิตจิตใจหรือไม่มีใจครองอซึ่งธรรมดาตกแต่งให้เป็นไปบ้างเช่นภูเขาแม่น้ำลำคลองแล้วก็พวกต้นหมากรากไม้ เป็นต้นอันมนุษย์คิดทำขึ้นบ้างเช่นบ้านเรือนอตึกรามบ้านช่องอที่อยู่ที่พักต่างๆที่อาศัยและบรรดาสัพพวัตเครื่องใช้ต่างๆอรวงความว่าสิ่งที่หาชีวิตจิตใจครอบครองไม่ได้อตกอยู่ในลักษณะแห่งอนุปาทินอากาศสังขารตกอยู่ในลักษณะอนุปาทินอากาศสังขารที่นี่ อาก็มีปัญหาที่น่ารู้ไว้ว่าการที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสังขารสองนี้มีประโยชน์อย่างไรอันนี้มีประโยชน์มากก็คือว่าาตัวเราที่ประกอบขึ้นด้วยสังขารคือร่างกายนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอไม่จีรังยั่งยืนแล้วสังขารที่มีใจครองและไม่มีใจครองก็ตกอยู่ในลักษณะนี้หนีไม่พ้น แต่ว่าสังขารที่มีใจครองนั้นเป็นสิ่งที่เคลื่อนที่ได้เจริญเติบโตได้กินอาหารได้นะเนี่ยกินอาหารได้อสิ่งเหล่านี้เน่ยเหล่านี้แหละเรียกว่าอุ ป, ปาทินากาสังขารแต่ส่วนที่ไม่มีชีวิตไม่มีวิญญาณครองเอเช่นต้นไม้โตเก้าอี้ตึกรามบ้านช่องอแม่น้ำภูเขานี้ถือว่าอนุปาทินากาสังขารฉะนั้นในสองสิ่งนี้แหละทําให้ มนุษย์เราผู้หญิงผู้ชายต้องหลงยึดมั่นถือมั่นกัน نا, <S <S เป็นส่วนมากคือติดอเรียกว่าเห็นติดในสิ่งที่เป็นสมมุติอ่าจริงๆแล้วก็มันไม่มีอะไรนมันไม่มีอะไรแต่ว่าเราหลงในสิ่งที่มัน เ, เราสมมุติกันขึ้นมาว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นของเราขอ ง, ของเขาเมื่อเราเอสมมุติกันขึ้นมาแล้วเราก็ติดในสมมุติอย่างนี้ความทุกข์ความเดือดร้อนก็จะมันเกิดขึ้นแก่เรามากนะมันเกิดขึ้นแก่เรามาก เพราะนั้นการที่เรารู้เท่าทันต่อสภาวะของสังขารตามที่มันมีมันเป็นอย่างไรเราก็ปฏิบัติตามแล้วก็รู้จักละรู้จักวางไม่ยึดมั่นถือมั่นเราก็จะมีแต่ความสุขเราก็จะมีแต่ความสบายการดำเนินชีวิตของเราเป็นไปอย่างถูกต้องตามทํานลองคลองธรรมแต่คนที่ไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสังขารก็มักจะไปหลงใหฝันหรือว่าหลงยึดที่ อ่เป็นคําพูดที่บอกว่าเรียกว่าไ อ, อชีวิตมันเหโโมือนความฝันรูปโฉมนํานมรูปโฉมน้มพันก็อเปรียบเหมือนดอกไม้นะคือชีวิตของเราเนี่ยเดี๋ยวมันเปลี่ยนแปลงไป <im Vai> เป็นวันเป็นคืนไปรู้สึกมันไวเหลือเกินนะมันไวเหลือเกินแต่เดี๋ยวก็เป็นสุขแต่เดี๋ยวก็เป็นทุกข์แตเดี๋ยวก็ดีใจแต่เดี๋ยวก็ร้องไห้นะเป็นอยู่อย่างนี้นะเป็นอยู่อย่างนี้นี่ ใน้รูปโฉมนมพันเหมือนดอกไม้สังขารของเราเหมือนดอกไม้มันก็อดอกไม้นะั้นมันก็มีเป็นตูมแล้วก็ค่อยๆแย้มบานแล้วก็ร่วงโรยไปชีวิตของเราที่แท้ก็เป็นเด็กแล้วก็เป็นหนุ่มเป็นสาวเรียกว่าบานเป็นที่โตเต็มที่แล้วก็ร่วงโรยไปก็คือแก่เท่าไปอย่างนี้แหละไ <c oughs> ในชื่อว่าชีวิตเหมือนความฝันรูปโฉมนมพันเปียบเหมือนดอกไม้อะฉะนั้นถ้าหากว่า เรามาเรียนรู้เรื่องสังขารก็จะทำให้เรานั้นคลายอุปาทานไม่หลงในอัตตาโดยพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ใช่แต่ตัวเราตัวเขาก็เป็นอย่างนี้ไม่ใช่แต่ของเราของเขาก็เป็นอย่างนี้ถึงเราจะห้ามเราจะหยุดจะจุดไว้อย่างไรมันก็ไม่เป็นไปตามอที่เราคิดเรานึกไม่ได้เป็นเร่งที่เราคิดไม่ได้แม้แต่ตัวของเราเองใจของเราเองมันก็ไม่เป็นไปทางที่เรา บังคับให้เป็นอนึดนับภาษาอะไรกับสิ่งอื่นนับภาษาอะไรกับคนอื่นนับภาษาอะไรกับของอของของเขาฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็จะสบายใจนะมีแต่ความสบายใจฉะนั้นอถ้าหากว่าจะมีคําถามว่าสังขารสองอย่างนะสังขารอย่างไหนก็ตามท่าใจไปยึดเป็นเจ้าของสังขาร น, นั้นเป็นอุปาทินกาสังขาร ถ้าใจไม่ยึดไม่ยึดถือเป็นเจ้าของใจไม่ยึดถือเป็นเจ้าของสังขาร น, นั้นก็เป็นอนุปาตินกะสังขารอย่างนี้อย่างนี้ถูกหรือผิดถ้าจะมีคำถามว่าอย่างนี้ถูกหรือผิดใอข้อ น, นี้มันผิดแบบก็คือในแบบท่านประสงค์เอาสังขารที่มีใจครองเช่นสัต์มนุษย์เป็นต้นเป็นอุปาตินกนกะสังขารสังขารที่ไม่มีใจครองเช่นภูเขา ต้นไม้เป็นต้นเป็นอนุปาทิฏฐะสังขารสังขารสองกับสังขารในขันห้านะต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไรอันนี้นักเรียนนักศึกษาและท่านสาธุชนทั้งหลายต้องจําต้องเข้าใจว่าชื่อในบางอย่างเนี่ยมันมันพ้องกันมันเหมือนกันถ้าผู้ตามหลักภาษาไทยก็นะบางอย่างมีพ้องรูปบางอย่างพ้องเสียงาบางอย่างพ้องเสียงแต่ไม่ได้พ้องรูป บางอย่างพ้องรูปแต่ไม่ได้พ้องเสียงบางอย่างพ้องทั้งรูปพ้องทั้งเสียงแล้วคําว่าสังขารสองในที่นี้พ้องทั้งรูปพ้องทั้งเสียงคือเขียนตัวเหมือนกันอ่านออกเสียงเหมือนกันแต่มีความหมายต่างกันฉะนั้นสังขารสองอคือสังขารสองกับสังขารในขันห้าต่างกันนะต่างกันสิ่งที่ธรรมดาคุมเข้าจากธาตุเช่นร่างกายและต้นไม้ อาสิ่งที่มนุษย์คุ้มข้าวจากอาสัมภาระเช่นรถและเรือเป็นต้นได้ชื่อว่าสังขารอามุ่งเฉพาะสัตว์ที่มีวิญญาณครองอาเช่นมนุษย์เป็นต้นเรียกว่าอุปาทินกาสังขารอามุ่งทังส่วนที่หาวิญญาณมิได้อาเช่นต้นไม้และภูเขาเป็นต้นอ่าเป็นตัวอย่างอาเรียกว่าอนุปาทินกาสังขารส่วนสังขารในขันห้านั้นได้แก่ความประชุมแห่งสภาวะธรรม ที่สัมปยุตเกิดกับดับพร้อมกับจิตมีอารมณ์และวัตถุเป็นอันเดียวกับจิตขณะเมื่ออุบัติตกแต่งจิตให้เป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างนะเป็นอพยญากิตบ้างโดยสมควรแก่เหตุปัจจัยนะโดยสมควรแก่เหตุปัจจัย น, นี่นักเรียนนักศึกษาอาจจะงงพูดให้สั้นๆเข้าให้สังขารสองนี้อนะ สังขารสองนี้อถ้าพูดง่ายๆก็คือหมายถึงตัวเรานะหมายถึงสังขารภายนอกนะตัวเราร่างกายของเรานะร่างกายของเราอนะแต่ว่าสังขารในขันห้านั้นหมายถึงเจตสิกอที่ปรุงแต่งจิตใจหรือหมายถึงสภาวธรรมที่ปรุงแต่งจิตใจของเรานะปรุงแต่งให้เกิดรักบ้างเกิดชอบบ้างเกิดชังบ้างรู้สึกเฉยๆบ้าง ที่เรานึกอยากทำบุญเนี่ยอย่างนี้ก็ถือว่าสังขารในขันท่าที่เรารู้สึกทำบาปก็สังขารในขันท่าบางครั้งเรารู้สึกเฉยเยก็เป็นสังขารในขันท่าฉะนั้นมันต่างกันนะฉะนั้นจึงว่าต่างกันทีนี้ถ้าจะถามอีกว่าสังขารหมายถึงสภาพเช่นไรถ้าเช่นนั้นพระนิพพานจัดเป็นสังขารด้วยหรือไม่เพราะเหตุไรอันนี้เราก็ตอบได้เลยว่าสังขารหมายถึงสิ่งหรือสภาพที่ปัจจัยปรุงแต่งขึ้น เป็นรูปอาจเห็นได้ด้วยตาเนื้อด้วยตาเนื้อพระนิพพานจัดเป็นส on, ังขาร in ไม่ได้เพราะพระนิพพานนั้นเป็นสภาพหาปัจจัยอะไรปรุงแต่งไม่ได้เลยฉะนั้นพระนิพพานจึงเรียกว่าวิสังขารคือเป็นคือไม่มีสังขารแล้วก็เป็นอสังขตะธรรมคือไม่มีปัจจัยอะไรปรุงแต่งไม่มีอะไรปรุงแต่งอันนี้เกี่ยวกับเรื่องเป็นเรื่องของสังขารสองก็คิดว่า ที่พูดนี้ก็เป็นเพียงแนวทางย่อยๆก็จะพูดในหัวข้อต่อไปเลยว่าอเป็นเรื่องของในหัวข้อว่าสมาธินะสธองนะสมาธิสองก็คือหนึ่งอุปจารสมาธิสมาธิเป็นแต่เฉียดเฉียดแล้วก็อปปนาสมาธิคือสมาธิอันแน่วแน่นะสมาธิอันแน่วแน่ทีนี้ประการแรกก็มาทําความเข้าใจคําว่าสมาธิเสียก่อน คำว่าสมาธิเนี่ยแปลว่าตั้งใจมั่นนะแปล ว, ว่าตั้งใจมั่นหมายความว่าทาใจของเราให้แน่แน่อยู่ในอารมณ์อันเดียวคือทําใจของเราไม่ให้ฟุ้งซ่านไม่ให้ส่ายไปส่ายมาในอารมณ์ต่างๆพูดง่ายๆก็คือว่าทาจิตใจให้มั่นคงนะทาจิตใจให้มั่นให้มั่นคง ไม่มีอารมณ์วันไหวคือไม่หวันไหวไปตามอารมณ์ต่างๆนะไม่ไม่ไมวันไหวไปตามอารมณ์ต่างๆใจที่มั่นคงแ น, แน่วแน่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเขาเรียกว่าเอกขตารมณ์คือมีอารมณ์เป็นอันหนึ่งหรือมีอารมณ์เป็นอันเดียวฉะนั้นตัวสมาธินี่แหละถือว่าเป็นสิ่งสําคัญเป็นบาตฐานในการจเจริญสมถะวิปัสจนาสติปัญญาจะเกิดขึ้นได้ ก็ต้องอาศัยจิตใจที่เป็นสมาธินะมรรคผลนิพพานจะเกิดขึ้นได้ก็จะต้องอาศัยจิตใจที่ประกอบไปด้วยสมาธิเป็นบาทฐานถ้าหากว่าจิตใจไม่เป็นสมาธิแล้วไอ้กิจที่ทําคําที่พูดก็จะสาเร็จลุล่วงไปไม่ได้หรือถึงสาเร็จลุล่วงไปได้ก็ไม่ดีนะไม่ดีฉะนั้นทุกวันนี้จึงมีการตืนตัวเกี่ยวกับเรื่องการ ารทำสมาธิกันมากเกี่ยวกับการเจริญสมาธิกันมากก็เป็นที่น่าดีใจตามวัดวาอารามต่างๆก็มีการชักชวนประกาศให้ท่านสาธุชนทั้งหลายไปเจริญสมาธิกันไปบำเพ็ญสมาธิกันไปเจริญสมถะวิปัสสนากาดูแล้วก็น่าดีใจน่าปลื้มใจถ้าหากว่าสังคมเราเป็นอย่างนี้เป็นส่วนมากแล้วก็พูดได้เลยว่า ต่อไปอนาคตของสังคมไทยของเราจะมีแต่คนดีจะมีแต่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยการระบบการปกครองก็ง่ายนะก็ง่ายเพราะว่าคนในประเทศชาติเป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงเป็นคนที่มีจิตใจแน่วแน่เป็นคนที่มีจิตใจตั้งมั่นไม่ฟุ้งซ่านไม่สายไปสายมาแล้วก็มีเหตุมีผลมีสติมีปัญญานะมีสติมีปัญญา ฉะนั้นอันนี้แหละจะทำให้การดำเนินชีวิตของคนเราทุกๆคนนั้นมีแต่ความสุขสดชื่นหันษาเรื่นเริงบันเทิงใจแต่ถ้าหากว่าใจไม่มีสมาธิแล้วแน่นอนที่สุดก็มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนมีแต่ความกังวลกระวายใจนะมีแต่ความกังวลกระวายใจฉะนั้นทุกๆครั้งที่เวลาเราไปทำงานก็ดี หรือว่ากลับมาจากทํางานแล้ววันวันหนึ่งก็อยากให้อ่าท่านนักเกรยียนท่านสาธุชนทั้งหลายได้ทําสมาธิกันสักห้านาทีสิบนาทีโอ้ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลแล้วนะทําแค่นี้เป็นบุญเป็นกุศลนะท่านจะนั่งที่บ้านก่อนจะนอนก็ได้อาบน้ําอ่าลับประทานอาหารแล้วอาบน้ําอาบผ้าแล้วก็อา่าทําตั้งใจก่อนจะนอนก็กราบพระไหว้พระสวดมน จะเจริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอ่าแล้วก็นั่งสมาธิโดยที่จะกําหนดลมหายใจเข้าออกก็ได้ะเรียกว่าจเจริญอาณาปานสติหรือว่าจะว่ายุกหนอพองหนอก็ได้หรือว่าจะว่าสัมมาอารหังก็ได้หรือจะว่าเคลื่อนไหวรู้ดับก็ได้หรือจะว่าพุทโธพุทโธหายใจเข้าพุทโธหาใจออกทโธก็ได้หรือจะกําหนดเอาที่มือก็ได้ก็แล้วแต่เทาะ นะไอ้สิ่งที่ย้า้จิตใจเป็นสมาธินั่นก็คืออารมณ์ของธรรมาฐานมีตั้งสี่สิบอย่างเกี่ยวกับสิบสิบอสุภา ษ, ษ, ษิตอานุสติสิบเมธพรมวิหารตีรูปะฌานตีอาหาเรเอาหารเรือิกูลสัญญานหนึ่งจตุธาตุอ ว, วาฐานหนึ่งรวมเป็นสี่สิบเนี่ยเอามาเป็นอารมณ์ได้นะหรือใครจะ ะจะเริญพุทธคุณนมคุณสังขคุณก็ได้เรียกว่าเป็นการจเจริญอนุสตินะพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติอันนี้ก็ทําให้จิตใจสงบได้นะจิตใจสงบได้แล้วการทําสมาธินี่มันบอกกันไม่ได้นะว่ามันสุขอย่างไรคือเราพูดได้แต่บางทีคนอื่นไม่เชื่อฉะนั้นเราจะต้องทําเองนะทาเองสิ่งนี้มันเป็นปัจจิตังมันเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นเฉพาะตัวนะเหมือนกับเรา อรับประทานอาหารเรารับประทานเ่าเองเราก็อิ่มเองคนที่ไม่ได้รับประทานจะมาอิ่มกับเราไม่ได้นะจะมาอิ่มกับเราไม่ได้ฉะนั้นนี่แหละจึงจึงขอแสดงความดีใจกับบรรดานักเรียนนักศึกษาและท่านสาสุทธนทั้งหลายที่พากันจเจริญสมาธิก็ขอให้ทำต่อไปตื่นนอนก็ทำสมาธิสักห้านาะทีสิบนาทีจิตใจก็จะแจ่มใสจด สดชื่นเบิกบานนะแล้วก็การที่เราได้เจริญสมาธิทําอยู่เป็นประจำนี่แหละก็จะทําให้จิตใจของเรานั้นผองใสดวงหน้าใบหน้าก็สดชื่นเบิกบานแล้วก็ทําให้มีสติมีความจําดีทําให้เรียนหนังสือเก่งทาให้การจิตที่ทําคำที่พูดของเรานั้นดาเนินไปได้ด้วยดีนะดาเนินไปได้ดยดี มีประโยชน์มีคุณค่าฉะนั้นก็ขอให้เราทุกคนจงพากันเจริญสมาธิพระพุทธองค์ท่านได้จัดไว้ว่าอาสมาธิพิขเวพาเวทะสมาหิโตยะถาภูตังปชานาติว่าผู้สุทั้งหลายจงพากันเจริญสมาธิเถอะเมื่อจิตใจสงบตั้งมั่นแล้วก็ย่อมรู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงฉะนั้น ถ้าหากว่าจิตใจไม่ตั้งมั่นเราก็รู้ทุกสิ่งทุกอย่างหลอกหลอกหลอนหล่อนรู้ไม่จริงรู้ไม่จังไม้รู้ไม่จริงไม่จังมันก็เกิดโทษเกิดโทษนะเกิดโทษเกิดโทษเกิดความผิดผิดพลาดได้อาจจะถูกการติชินนินทาแต่ถ้าเรารู้จริงก็คือรู้ด้วยปัญญาอันทองแท้รู้เหตุรู้ผลรู้เหตุแห่งความเจริญรู้เหตุแห่งความเสื่อม รู้ผลอย่างนี้เกิดมาจากเหตุในทางที่ดีรู้ผลอย่างนี้มาจากเหตุในทางที่ชั่วนี่อย่างนี้แหละสติปัญญาของเราก็จะเกิดนะจะเกิดเมื่อสติปัญญาเกิดแน่นอนที่สุดก็ควรแก่การงานทุกสิ่งทุกอย่างนะควรแก่การงานทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นสมาธินี้เขาจึงแบ่งออกเป็นสองอย่างก็คือหนึ่งอุปจารสมาธิได้แก่สมาธิของผู้เจริญสมาธภาวนาคือพิจนารณาน พิจารณาธรรมเป็นอารมณ์อของสมถะอย่างใดอย่างหนึ่งกิดย่อมตั้งมั่นและเป็นสมาธิได้แต่บางคราวก็ยังไม่ดิ่งลงไปทีเดียวนเป็นแต่เฉียดเฉียดจว น, ว น, ไว น, วนวๆไปจวนๆมาอวุดหัดไปวุดหัดมาอย่างนั้นแหละอเมื่อได้ถึงอุปจารสมาธิแล้วก็มีความอถ้าหากว่ามีความประมาทเลิกละเสียสมาธิก็เสื่อมไปนะยังเสื่อมนะสมาธิแค่นี้ยังเสือนะเส่อมได้นยังเสื่อมได้เมื่อได้ อถึงเมื่อได้อุปจารสมาธิแล้วมีแล้วก็ต้องเจริญอปปนาสมาธิต่อไปอีกอเรียกว่าได้ถึงสมาธิอันแน่วแน่อุปจารสมาธิจึงนับได้ว่าอบรมอ่าอบรมจิตใจของเราหรือว่าเป็นบาดฐานให้จิตใจของเรานั้นไปถึงอปปนาสมาธิได้ฉะนั้นอุปจารสมาธิถ้าพูดง่ายๆอย่างหนึ่งก็คือเป็นสมาธิที่ได้นานเป็น พักๆนะเป็นชั่วโมงช่วโมงนะสงบได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงนะฉะนั้นแค่นั้นก็ดีแล้วเป็นบุญเป็นกุศลแล้วนะฉะนั้นที่วัดมหาธาตุของเรานี้ก็จึงมีการเจริญสมาธิกันทุกวันนะทุกวันโดยเฉพาะที่วันที่พระอุโบสถหรือพระวิหารนั้นก็มีในวันพระวันอาทิตย์ทุกๆวันพระทุกๆอาทิตย์แล้วก็ที่คณะห้าคณะหนึ่งอันนี้ก็ มีการเจริญสมาธิกันแล้วก็ยังมีที่คณะ22อีกดังนั้นอันนี้แหละก็เป็นที่น่าดีใจจะเห็นว่ามีท่านสาธุชนทั้งหลายทั้งนักเรียนนักศึกษาก็พากันมาปฏิบัติเป็นจํานวนมากเป็นจํานวนมากสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าดีใจมากเรื่องการที่สองก็คืออปปนาสมาธิอปปนาสมาธิก็ได้แก่สมาธิของผู้เจริญสมถะภาวนา พิจารณาอันเป็นอารมณ์ของสมถะอย่างใดอย่างหนึ่งจิตย่อมตั้งมั่นแน่วแน่ย่อมตั้งมั่นแน่วแน่ลงในอารมณ์ประเภทนั้นไม่กลับกลอกไม่กลับกลอกละเอียดยิ่งกว่าอุปจารสมาธิละเอียดยิ่งกว่าเพราะถือว่าเป็นขั้นที่สุดของสมาธิทีเดียวพอถึงอั ป, ปนาสมาธิแล้วฌานก็เกิดฌานก็เกิดฉะนั้นอันนี้แหละจริงเป็นสิ่งสำคัญมาก นะเป็นสิ่งสำคัญมากบางคนนี่แทบไม่น่าเชื่อเด็กอายุเก้าขวบนั่งได้ต้องเป็นสิบสิบชั่วโมงนะจะเรียสมาธิได้ได้ดเป็นสิบสิบชั่วโมงสมัยหนึ่งที่พระเดชพระคุณหลวงพ่ออธิบรีสงวัดมหาธาตุได้ทำบุญฉลองอายุครบแปดสิบปีก็ได้มีพระวิปัสสนาจาันมาจากทั่วประเทศมานั่งสมาธิ บางองค์นั่งได้สามสิบชั่วโมงบางองค์ก็นั่งได้ถึงสี่สิบชั่วโมงอันนี้เราจะเห็นว่าอาศัยว่าทํามมาบ่อยๆถ้าเราไม่เคยทําไม่ได้นะทาไม่ได้นั่งได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนไม่หยุกห ย, ยิกอะไรเลยอาหารอไม่ต้องทานกันไม่ต้องเข้าห้องน้ํากันนี่อย่างนี้แสดงว่าเขาฝึกมาเป็นประจำทําอยู่บ่อยๆนะฝันอยู่บ่อยๆจิตใจมันก็ตั้งมันจิตใจมันก็แน่วแน่ บางครั้งทำไป แ, แล้วเนี่ยรู้สึกว่าเราไปเรียกก็ไม่ได้ยินนะเรียกก็จะไม่ได้ยินนี่เพราะใจมันตั้งมัน่นใจมันดิน่งนะแล้วมันมันสบายยังบอกไม่ถูกนะมันสบายยังบอกไม่ถูกฉะนั้นอันนี้ก็ต้องฝึกบ่อยๆนะต้องฝึกบ่อยๆพระพุทธองค์จึงได้ตรัสไป ว, ว่าทันโตเศษรษฐโสมนุสเสสุขคนที่ฝึกจิตฝึกใจดีแล้ว เป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่มนุษย์ทั้งหลายอาคุดตังจิตตังสุขาวหังจิตที่คุ้มครองดีแล้วนําความสุขมาให้นะหรือว่าทางตังจิตตังสุขาวหังจิตที่สุดดีแล้วก็นําความสุขมาให้ฉะนั้นขอให้เราทุกคนมาสึกจิตกันนะมาสึกจิตกันเพราะว่าคนเราถ้าหาว่าไม่สุกมันก็ไม่ต่างอะไรกับพวกวัวควายช้างมา้า หักควายช้างม้าเราต้องนำมาฝึกจึงจะเอามาใช้เป็นประโยชน์ได้จิตของคนเราเหมือนกันจะต้องฝึกนะจะต้องรู้จักฝึกฝึกเพื่อให้มันเป็มฝึกเพื่อให้มันดีฝึกเพื่อให้มันมีคุณค่าฝึกเพื่อให้มีประโยชน์ควรแก่การงานน้อยใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นเราทุกคนจะต้องฝึกสมาธินะฝึกสมาธิเมื่อเราฝึกอยู่บ่อยๆฝึกอยู่เป็นประจำพลังจิตหรืออำนาจจิตของเราก็จะเข้มแข็ง นี่ยเข้มแข็งบางคนเขามีสมาธิสูงมากสามารถที่จะเพ่งให้ไส้เทียนนี้ดับก็ได้หรือจะเพ่งให้น้ำเนี่ยก็เพิ่มอยู่ในขันก็ได้เนี่ยนี่เรื่องฉะนั้นเราก็เคยได้ยินเคยได้ศึกษาบางคนเนี่ยใช้พลังจิตเพ่งดูคนเนี่ยสามารถจะบ้งโ ด, ดให้วัตถุนั้นลนหรือว่าอลอยมาก็ได้ อันนี้ถ้าเราฝึกจริงบ่อยๆแล้วก็มันก็เป็นได้มันเป็นอํานาจลึกๆนะเป็นพลังจิตที่ที่เหนือเหนือจิตธรรมดาเหนือจิตของสามัญชนธรรมดานะเพราะว่าพระพุทธองค์ก็เดยตรัสไปแล้วว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวอนะใจเป็นนายกายเป็นบ่าวร่างกายเนี่ยเป็นที่ค่าของใจใจจะสั่งอย่างไรก็ต้องทําาอย่งำอย่างนั้น ฟังให้พูดอย่างไรก็ต้องพูดอย่างนั้นฟังให้คิดอย่างไรก็ต้องคิดอย่างนั้นฟังให้ทําอย่างไรก็ต้องทําอย่างนั้นอะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงได้ตรัสไว้ว่ามาโนโปุกังธมาธรรมามาโนเศรษฐามาโนโมยามานัสาเจปะทุทเถนะภาสติวากรโรตวิว่าการทำทั้งหลายมีใจเป็นหนะัวหน้าประเสริฐก็ที่ใจสําเร็จก็ที่ใจนะฉะนั้นจะพูดก็ตามจะทําก็ตามก็อยู่ที่ใจทั้ง นะอยู่ที่ใจดังนั้นใจเป็นผู้บัญชาการใจเป็นผู้คิดใจเป็นผู้สัง่งฉะนั้นเมื่อใจเป็นผู้คิดผู้สั่งอย่างนี้ถ้าหากว่าใจของเรารู้ไม่ดีรู้ไม่ถูกฝึกมาน้อยฝึกสมาธิมาน้อยก็อาจจะสั่งผิดก็ได้อาจจะคิดผิดก็ได้นะฉะนั้นขอให้เรามาฝึกจิตให้มั่นคงจิตที่มั่นคงเป็นจิตที่ประกอบไปด้วยเหตุผลนะเป็นประกอบไปด้วยความจรงิงความถูกต้องประกอบไปด้วยความรู้ อย่างเพียบพร้อมบริบูรณ์อย่างนี้จะทำอะไรก็สำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างนะจะทำอะไรก็สำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างก็ขอให้พวกเราทั้งหลายจงพากันมาเจริญสมาธินะเพราะว่าการเจริญสมาธินั้นนอกจากจะทำให้เรานั้นมีสติปัญญาดีทำให้มีความจำดีก็สามารถที่จะทำให้ดวงหน้าดวงตาของเรานั้นสดใสแข่มชื่นเบิกบานเรียกว่าเกิดธรรมปีติ คือเกิดความเอบอิ่มในธรรมเกิดความสุขในธรรมในความสุขอย่างนี้เงินแสนเงินล้านหรือสิบล้านหน่ยล้านก็ซื้อไม่ได้ในความสุขที่เกิดจากวัตถุคือตึกราม่านช่องรถราหรือทรัพย์สินเงินทองนั้นมันเป็นสุขชั่วครั่วคราวแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาไม่คงที่แต่ว่าสุขที่เกิดจากตัวสมาธิคือการตั้งจิตใจมั่นนั้นเป็นบรมสุข เป็นสุขอย่างยอดเยี่ยมนะี่เป็นสุขอย่างยอดเยี่ยมอาฉะนั้นเมื่อพูดถึงสมาธิก็ถือว่าเป็นตัวบาดฐานในการที่จะสัจจะิญสมถะวิปัสนาตัดกิเลสตายคลายกิเลสทิ้งเห็นจริงคืออนัตตาคือความไม่มีตัวไม่มีตนนั่นเองอานะฉะนั้นถ้าหากจะพูดอีกอย่างหนึ่งว่าในสมาธิทั้งสองนะี่ในตัวสมาธิทั้งสอง อุปจารสมาธิจัดเป็นสมาธิของกาลยานชนขั้นต่าๆนะคือยังไม่จัดเป็นอุตรมนุษยธรรมตามทวีไนคือพูดได้ว่าคือเป็นสมาธิที่เศร้ามองได้เพราะอกุศลวิตกมากลุม้มวงจิตใจนกลุ้มวงจิตใจสมาธิจะบริดดสุทธิ์ก็เพราะประกอบด้วยกุศลวิตกสามประการสมาธิที่จัดเป็นอุตร อุตริมนุษย์จะทำตามพระวินัยนั้นท่านหมายเอาอัปนาสมาธิหมายเอาอัปนาสมาธิะฉะนั้นก็พูดได้อีกครั้งว่าอุปจารสมาธินี้เป็นสมาธิของอสามัญชนทั่วๆไปที่พากันเจริญพากันปฏิบัติข้อสำคัญก็คือว่าในเมื่อเราทุกคนได้พากันเจริญสมาธิบางคนก็บอกว่าเห็น สวรรค์บางคนก็เห็นนรกบางคนก็เห็นวิมานบางคนก็เห็นพระพุทธรูปอะไรห ล, หลายอย่างก็แล้วแต่สมุดฐานแล้วแต่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นแต่ว่าบางคนไม่ได้เกิดขึ้นตามสมาธิหรือตามสภาวะจริงๆอเกิดขึ้นเพราะการนึกคิดเอาภาพมันหลอนมันหลอกะภาพมันหลอนมันหลอกอย่างนี้ไม่ใช่เป็นสมาธิจริงๆเรียกว่าเป็นสมาธิหลอกหลอกฉะนั้น ถ้าหากจะตั้งเป็นปัญหาว่าสมาธิเนี่ยมีทั้งผิดทั้งถูกมีทั้งผิดทั้งถูกแล้วก็อย่างไรเป็นสมาธิผิดอย่างไรเป็นสมาธิถูกเราจะแก้ว่าไงอันนี้นักเรียนนักศึกษาก็แก้ได้เลยว่าภาวนาที่สะกดจิตในทางหาลาบหรือในทางให้ร้ายผู้อื่นและในทางให้หลงให้ผิด อย่างนี้ถือว่าเป็นสมาธิที่ผิดแต่ตัวสมาธิภาวนาที่สะกดจิตใจในทางทำจิตให้บริสุทธิ์ให้หมดจดให้สงบให้ส ง, งดจากเครื่องร้อยรัดหรือเครื่องเศร้าหมองต่างๆเครื่องเศร้าหมองต่างๆจนถึงขั้นบรรลุถึงฌานทั้งสี่อย่างนี้เป็นสมาธิถูกอย่างที่หนังสือพิมพ์ลงข่าวมีการเซตไทยให้เป็นแบงค์หรือว่าเซตกระดาษให้เป็นแบงค์อะไรอย่างนี้ อย่างนี้เป็นการหลอกลวงกัทั้งนั้นนะเป็นการหลอกลวงทางนั้นเราจะพึ่งไปเชื่อนะอย่าต้องไปเชื่อขอให้เราได้ลงมือปฏิบัติเองทําเองปรากฏเองเห็นเองแล้วก็จึงควรเชื่อฉะนั้นในสมาธิทั้งสองอย่างอย่างไหนมีเมื่ออริยมรรคเกิดขึ้นจะอ้างหลักในที่เรียนมาได้อย่างไรอันนี้เราก็แก้ได้เลยว่าอัปนาสมาธิย่อมมีในเมื่ออริยมรรคเกิดขึ้น อันนี้ขอให้นักเรียนนักศึกษาและท่านสาธุชนทั้งหลายได้ฟังข้อนี้ไว้ให้ดีว่าอัปปนาสมาธิคือหมายถึงว่าสมาธิที่แน่วแน่อแนบแน่นแล้วก็เอเนิ่นนานนะสมาธิอย่างนี้ย่อมมีในเมื่ออริยมรรคเกิดขึ้นมีสัมมาสมาธิในอัฏถังที่จะมรรคเป็นหลักอ้างฉะนั้น ฉะนั้นการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องสมาธิสองมาก็พอสมควรกับเวลาขอให้นักเรียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีขอจเจริญพร